ภาวะของผู้บรรลุนิพพานเนื่องด้วยคําสอนในพระพุทธศาสนาเน้นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและการลงมือทําให้รู้เห็นประจักษ์บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตหรือเน้นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้และการนําสิ่งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่สนับสนุนการคิดวาดภาพและการถกเถียงหาเหตุผลในสิ่งที่พึงรู้เห็นได้ด้วยการลงมือทํานั้น ให้เกินเพียงพอแก่ความเข้าใจที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการลงมือปฏิบัติดังนั้นในการพิจารณาเรื่องนิพพานการศึกษาเกี่ยวกับภาวะของบุคคลผู้บรรลุนิพพานรวมทั้งประโยชน์ที่เป็นผลของการบรรลุนิพพานซึ่งเห็นได้ที่ชีวิตหรือบุคลิกภาพของผู้บรรลุจึงน่าจะมีคุณค่าในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนามากกว่าการอภิปรายเรื่องภาวะของนิพพานโดยตรง ภาวะของผู้บรรลุนิพพานอาจศึกษาได้จากคำเรียกชื่อและคำแสดงคุณลักษณะของผู้บรรลุนิพพานนั่นเองซึ่งมีทั้งความหมายแง่บวกและแง่ลบคำเรียกจำนวนมากเป็นคำแสดงความยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติดีงามบริสุทธิ์ประเสริฐหรือได้บรรลุจุดหมายสูงสุดแล้วเช่นอรหันผู้ควรหรือผู้ไกลกิเลส ขีนาศพผู้สิ้นอาสวะแล้วอาเซคะ่ะผู้ไม่ต้องศึกษาหรือผู้จบการศึกษาแล้วปริขีณภวะสังโยชตผู้หมดสังโยตที่เป็นเครื่องผูกมัดไว้ในภพมุสิตวันหรือมุสิตะพรหมจันทร์ผู้อยู่จบพรหมจันทร์แล้วกะตะกรณีผู้ทำกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วโอหิตะภาระผู้ปลงภาระแล้ว อนุปตัตตสัทผู้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้วสั ม, มะทัญญาวิมุตผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกท่วนอุดมบุรุษคนสูงสุดหรือคนเยี่ยมยอดมหาบุรุษคนยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนและมีอำนาจเหนือจิตของตนสัมปันนักกุศลผู้มีกุศลสมบูรณ์บรมกุศล ผู้มีกุศลธรรมอย่างยิ่งคำเรียกอีกไม่น้อยเป็นคำที่ใช้กันมาในลัทธิศาสนาสืบจากเดิมแต่นํามาใช้ในพุทธศาสนาโดยเน้นให้ปรับแก้ความหมายให้ถูกตรงตามสาระของพระธรรมวินัยเช่นพราหมณ์โดยมุ่งที่เป็นพราหม์แท้ที่หมายถึงผู้ลอยบาปโดยเลิกละกุศลธรรมทิ้งไปหมดแล้วซึ่งเดิมคําว่าพราหมณ์นี้ใช้เรียกคนวรณะเลิศประเสรศิฐ เหนือวันนะอื่นทักกิไนผู้ควรแก่ทักษินาซึ่งเดิมคําว่าทักกิไนนี้ใช้เรียกพรามในฐานะผู้ควรรับค่าตอบแทนในการประกอบพิธีบูชายันนหาดผู้สนานแล้วผู้อาบน้ำรรมทรรมทำกรรมสะอาดสร้างความเกษมแก่สรรพสัตว์ซึ่งเดิมคําว่านหาดนี้ใช้เรียกพรามผู้ได้ประกอบพิธีสนาน ขึ้นสู่สถานะเป็นพราหมณ์มีระดับเวทคูผู้ถึงเวทคือเจนจบวิชาล่วงพ้นความติดในสรร พ, พเวทนาซึ่งเดิมคําว่าเวทะคูนี้ใช้เรียกพราหมณ์ผู้จบไตรเพศสมณะผู้สงบผู้ระงับกิเลสซึ่งเดิมคําว่าสมณะนี้ใช้เรียกนักบวชเกวลีหรือเกภลีคนครบถ้วน คนสมบูรณ์ซึ่งเดิมคําว่าเกวลีหรือเกผารีนี้ใช้เรียกบุคคลสูงสุดในาศาสนาเชนอริยะหรืออาริยชนหมายถึงคนเจริญผู้ประเสริฐผู้เจริญอหิงสาต่อสรรพสัตว์ซึ่งเดิมคําว่าอาริยะหรืออาริยชนนี้ใช้เรียกคนสามวั น, นแรกหรืออารยันโดยกําเนิดการศึกษาตามแนวนี้ ต้องพิจารณาภาวะของผู้บรรลุนิพพานโดยสัมพันธ์กับหลักธรรมที่กล่าวถึงในคำนั้นนั้นเช่นอาสะวะสามิกขาสาอาเสกขธรรม 10, สิสังโยตสิสพรหมจรรย์คือมัคมีองค์8เป็นต้นซึ่งในที่นี้ไม่มีเนื้อที่เพียงพอที่จะแสดงให้ครบถ้วนและเห็นว่าจะเป็นเหตุให้ฟันเฟือ